พึงพากันตั้งใจสมรวมใจของตนให้ดีเพื่อฟังธรรมฟังไปพิจารณาตามไปอย่าฟังอยู่เฉยๆพิจารณาตามให้มันรู้มันเข้าใจธรรมะทีทันแสดงไป เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ไม่ปฏิบัติตามคนเรานะเราต้องเข้าใจว่าเออธรรมะนี่ควรปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะอย่างนี้นะกิเลสมันจะเบาบางออกไปจากกิจใจนี่เพราะเราเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละไม่ใช่อื่นใด เป็นทุกข์ตามขั้นตอนของกิเลสกิเลสอย่างงาบเมื่อบุคคลสะสมไว้มันก็บรรลบรร ด, ดาให้ไปเบียดเบียนกันทะเลวิวาทกันฆ่ากันตีกันหรือเป็นท่อยเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทอง มากมายกายกายองกลัวสารยตัดสินลงไปนี่โทษของความโกรธในขั้นหยาบๆในขั้นกลางก็มันก็ยังตามบรบกวนจิตใจแต่ไม่ถึงกับว่าให้ได้ลงไม้ลงมือทุบตีกันแต่เพียงว่าทะเลาะกันด้วยวาจา พูดเสียบแทงกันพูดกระทบกระทั่งกันออย่างนี้แล้วก็ทําให้ผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งรู้สึกไม่สบายใจเมื้อผู้ที่พูดกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ไม่สบายใจเหมือนกันด้วยอํานาจความโกรธครอบคราำจิตใจทําใจเศร้ามองขุนมัวเช่นนี้ การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้มันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโกรธความผูกโกรธไว้อย่างนี้เลยหรือมันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโลภเขาเห็นผู้อื่นเขาได้ดได้ดีตนไม่ได้อย่างนี้ก็ น, น้อยเนื้อต่มใจขึ้นมาคิดอยากกะ ให้มันได้ดิบได้ดีล่ำรวยเหมือนคนอื่นนั่นแต่คิดทางสุจริตไม่มีทางจะหาได้มันก็คิดไปในทางทุจริตเบียดเบียนเอาวนี่แย่งชิงเอาโดยวิธีต่างๆเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ให้สำนึกได้ถึงโทษถึงบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่กล้าไปทำ ไอ้ยอย่างนี้ได้ชื่อว่ากิเลสอย่างกล้างแต่ว่ากระทำจิตให้เศร้ามองขุนมัวอยู่ยงั้นแหละจะทำสมาธิภาวนาก็ไม่มีทางที่จะสงบลงได้ดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้อย่าไปนึ ก, กว่าเพียงเล็กน้อยดอก อย่างนี้เรานอนใจเสียไม่หาอุบายละกิเลสเหล่านั้นเช่นนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความหลงเข้าใจผิดตั้งแต่ไฟนะ่ะฐานเล็กเมื่อมันมีไฟอยู่เนี่ยเอาไปโยนเข้ากองหญ้าแห้งเข้าไปอย่างนี้มันก็ติดเป็นเปลวขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ เพราะมันได้เชือ้อไอ้กิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยทีแรกมันก็มีน้อยเนี่ยเมื่อมีน้อยหากว่าตนไม่เพียรละมันเช่นนี้เวลามันได้เชื้อภายนอกผสมทบเข้าไปมีใครมายั่วยวนชวนทะเลาะวิวาทนี้ก็เอาแล้วกิเลสอันนั้นความโกรธมันลุกขึ้นโผงขึ้นใหญ่มากกว่า เ, าเก่าแล้ววันนี้อมันเป็นอย่างนั้น กิเลสอย่างกลางเมื่อไม่ละมันน่ะมันก็กลายเป็นกิเลสอย่างหยาไปให้เข้าใจถ้าบุคคลเพียรภาวนาทําใจให้สงบให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็นิวรณธรรมเหล่า น, น, นั้นมันก็จะเบาบางไปจากกิจใจถึงยังละไม่ขาด แต่มันก็บันเทาเบาพ า, างลงเราเพียรเพ่งพินิจอยู่เพียรมีสติสมัชัญประคองจิตนี่อยู่ไม่ให้มันพุ่งสั้นไม่ให้มันเลื่อนลอยไปในที่อื่นถ้าบุคคลใดไม่ภาคเพียรพยายามประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาไปนั่งสมาธิภาวนา มันมันก็ยากที่จะทำใจสงบลงได้เพราะเวลาธรรมดาใจก็ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วคุงแต่งคิดไปตกวิจารไปทั่วเดี๋ยวก็ให้เกิดความดีใจเดี๋ยวก็เกิดความเสียใจรับแค้นใจสลับกันไปอย่างนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาไอ้เรื่องนั้นแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว ผาักดันจิตใจให้สงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเวลาไม่ได้ดั่งสมาธิภาวนาเราก็ต้องพยายามีสติสมเชญญาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เพราะตามธรรมดายผู้ปฏิบัติธรรมก็จิตใจมันก็เป็นกุศลอยู่แล้ว จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ววันนี้เมื่อเมื่อรู้ว่าใจตนสบายแล้วอย่างนี้บางคนมันเกิดความประมาทนึกว่าตนสบายแล้วเราก็ไม่สำรวมจิตไปรักษาจิตละเลยเสียมัวแต่ไปเอาสติระลึกไปขาวแต่เรื่องอื่นๆนูน่นไม่คำนึงถึงจิตใจตัวเองอย่างนี้ไปไป ความหลงมันก็เข้าครอบงามได้เมื่อความหลงเข้าครอบงามแล้วจิตใจมันก็ฟุ่งไปบนี้ในอารมณ์ต่างๆก็สงบลงไม่ได้แบบนี้บุญกุศลที่ทนได้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นในใจมันก็เสื่อมไปสิเพราะว่าไม่นำพาเนี่ไม่ไม่เริ่มใสไม่เชื่อมั่นในบุญในคุณอ่ะ แล้วเช่นนี้จะให้บุญคุณตั้งมั่นอยู่ในใจได้อย่างไรอะ่ะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่ากิเลสมันก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาถึงมันจะอาศัยเหตุภายนอกแต่ถ้าจิตดวงนี้รู้เท่าเหตุภายนอกนั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นมา อันเป็นอย่างนั้นเช่นตาได้เห็นรูปที่หน้าเกลียดหน้าชั่งอย่างนี้นะเขาก็มีสติเตือนจิตให้รู้เท่าไอ้รูปนั่นน่ะมันเป็นประกอบขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองนะแล้วเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทําลายลงรูปขี่ร้ารก็าตามรูปสวยงามก็ช่างมันก็มีสภาพเป็นอันเดียวกัน แล้วจะไปรักไปชังมันทำไมอ่ะเมื่อผูใ้ใดมีอุบายสอนใจหุทนนเข้าไปอย่างนี้มันก็บรรเทาลงได้กิเลสเหล่านั้นก็ครอบงำจิตไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้ละความหลงออกจากกิจใจแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆตามเป็นจริงอยู่เสมอถ้าจะพูด ถึงความจริงแท้แล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็อย่างนี้แหละ ก, ก็ภาวนาพิจารณาดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี่นะมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะประเภทที่มี ใจครองประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้หินกรวดทรายในหมูเนี้แอละอแล้วก็พิจารณาให้มันเห็นสิแล้วต้นไม้บหญ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถึงเราดูการมนาานนันก่าร่วงโรยลงไปใบก็ร่วงลงถูพื้นดินก็เหลือแต่ลำต้นกิ่งกา้าน ถึงระดูการผลิออกมาใหม่ไปไปโค ร, รอบปีผล่วงลอยลงไปมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นสิ่งที่ไม่มีใจครองก็ดีสิ่งที่มีใจครองได้เกี่มนุษย์และสัตว์ด้ฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่ไ ม, ไม่จำเป็นในต้องพูดอธิบายให้มากมายอะไร ใครเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ตายไม่มีในโลกอันนี้นต่างแต่ว่าตายก่อนตายหลังกันต่างแต่ว่าอายุสั้นอายุยืนขั่วกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เพราะอาศัยบุญกรรมที่แต่ละคนทํามาแต่ก่อนนั้นมากน้อยขั่วกันเหตุฉะนั้นมันจึงค่อยมีอายุไม่สม่ําเสมอกันแล้ว ปัญญาวิปัสสนาเนะ่ก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะไม่หลงไม่คล่องอยู่ในรูปในนามอันนี้ถ้าคน่วนหมายคน่วนหลานะ่ย ม, มันมัวมาวประมาทมันไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ ฝึกใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบเมื่อใจเลื่อนลอยอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ตกลงไปในน้ําที่ลึกกระแสน้ําเที่ยวพัดพาไปอยู่อย่างนั้นไม่พยายามจะแวกว่ายเข้าสู่ฝั่ง ่อให้กระแสน้า ม, มันพัดไปโดยลำพังอย่างนั้นเนี่ยผู้นั้นก็ไม่มีหวังนะที่จะเอาชีวิตรอดไปได้แต่ถ้าผู้ใดคิดว่ากำลังเลียวแรงเรายังมีอยู่เราจะต้องพยายามแบบวาหวกไหวเข้าสู่ฝั่งให้ได้หรือว่ามองเห็นท่อนไม้อะไรที่ไหลน้ำมาก็ ว่าใส่ท่อนไม้อันนั้นชูชีไปพยายามบึกปืนให้เข้าสู่ฝังให้ได้ถ้าไม่เหลือวิสัยอย่างจริงผู้นั้นก็พ้นจากความตายถึงฝั่งได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลใดถูกกีเรตันหาเหมือนอย่างห่วงน้ำท่วมทนจิตใจแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมอยู่นั้น ไม่คิดที่จะํำจัดมันออกไปอย่างนี้จิตใจนี่มันก็ลอยไปตามกระแสของกิเลสแล้วมันก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างถ้าผู้ใดมีกิเลสห น, นามากนะมันจะคิดไปทางชั่วนั่นามากกว่าที่จะคิดไปทางดีถ้าผู้มีกิเลสน้อยบบาบางกว่านั้นก็อาจคิดไปในทางบุญกุศลนนมากกว่าคิดไปในทางบาป เอเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนธรรมดาสามัญผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนตามคําสอนของพระเจ้าก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์แหละเมื่อสรุปใจความลงนะนั่นแหะคนเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะกิเลสที่แหละตนไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสออกจากจิตใจได้กิเลสมันก็รบกุวนให้โลภให้โกรธให้หลงอยู่อย่างนั้นแหละอืม เอาเมื่ออยากได้อะไรมาไม่ได้ตามใจหวังแล้วก็เลือดร้อนใจไปอย่างนั้นแหละเศร้าใจเมื่อใครมายั่วยวนชวนให้โกรธแต่เขาไม่ถึงกับได้ลงไม้ลงมือกันก็ยึดถอเถอาความโกรธนั่นไปวิตกวิจารทำใจเศร้าหมองขุนมมวอยู่นั้นเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น ถ้ารุนแรงห้ามไมา่อยู่ก็ทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันก่อเวรต่อกันและกันไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปในสัจฉิให้เห็นบุคคลผู้ที่ไม่มีความเพียรไม่เชื่อคําสอนของพระเจ้าไม่ยินดีปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เคยย่อมได้ประสบกับความทุกข์ เลื่อยไปอย่างนี้แหละแต่ทุกคนนะ่ะย่อมรู้ได้เลย่อมรู้ตัวเองได้หละตนเองเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันเผารุนเอาอย่างไรนี่มันรู้ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ารู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยสัญญาแล้วอย่างนี้มันก็รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่มันม่มีไม่มีห น, นทางจะละจะถอนมันได้ รู้ว่าโอ้กิเลสนี่นะ่มันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายอย่างนี้ก็บนพิไร ล, ลำพันอยู่นั่นเฉยๆไม่ไม่รู้จักหนทางไม่ไม่ไ ม, ไมีอุบายสอนจนให้ละ ก, กิเลสนั่นใดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไม่สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทั้งที่พุทธศาสนาเนะ่ะเจริญอยู่ในเมืองไทย ออพระผู้ที่จะแนะนําสั่งสอนก็มีอยู่ในอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจเลยอย่างนี้นะี่ยเมื่อไม่สนใจแล้วกิเลสนี่มันไม่กลัวสิ่งใดทั้งหมดมันกลัวแต่ธรรมะเท่านั้นแหละกลัวแต่วิ น, นัยกลัวแต่ธรรมะเป็นอยางนั้นอันเรื่องอย่างนี้นะี่ ทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองอนะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วอ๋อจริงก็เมื่อตนเมื่อเวลาตนยังไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะปรากฏว่ากิเลสมันกำลเลิบอสจริงจังอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตนมาบำเพ็ญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจธรรมะหมายเอาส่วนที่เป็นกุศล เป็นความดีอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าจนไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจให้มั่งมากเขาที่จะมากได้อย่างนี้นะไอ้จิตใจที่มันเคยกโกรธมาตะกอนมันเคยมานะทิติแข็งกับเรื่องแข็งกับร่างกระเดีองมาแต่ก่อนนั่นมันก็เบาบางลงมันก็อ่อนลง เพราะมาพิจารณาเห็นแล้วว่าโลกคือหมู่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายนี่จะอยู่เย็นเป็นถูกได้ก็เพราะไม่เบียดเบียนกันไม่พยายามจองเวรกันถึงก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเมื่อเจริญเมตตาเข้าไปก็เมื่อมันเป็นความจริงนี่คนหมู่ใดเมื่อรู้จักให้อาภัยกันเออีกควายหนึ่ง เกิดความพลังเผอประมาทกระทบกระทั่งอีกฝ่ายนึงฝ่ายที่ถูกกระทบกระทั่งก็ยกโทษให้อภัยให้ไปไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จบลงไปได้อย่างนี้แหละแล้วเราก็อยู่กันไปโดยสันติสุขไปได้เป็นอย่างงี้นี่เรียว่าเรียกว่ากิเลสมันกลัวคุณธรรม เช่นความโกรธเน่นมันกลัวเมตตากรุณาธรรมอย่างนี้นะความโลภ น, นมันกลัวสันตุถีธรรมถ้าผู้ใดบำเพ็ญใจของตนอบรมใจของตนให้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น จะได้น้อยก็ดีจะได้มากก็ดีก็พอใจอยู่ในสมบัติที่ตนหาได้มาคนอื่นจะมีมากกว่าก็าไม่อิจฉาในือเสีอย่างนี้นะก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจโดยที่มานึกถึงว่าไอ้ที่เราไม่มีสมบัติมากนี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราก็ไม่ได้ทาบุญทำทานมามากทำมากก็เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะ แล้วมันก็ตามมาให้ผลแต่น้อยอย่างเห็นในปัจจุบันนี่แหละไอ้พวกที่เขาเจริญด้วยลาบยศต่างๆเหล่านั้นแต่ชาติก่านเขาคงได้ทําบุญธําทานมามากนี่หมายเอาเจริญด้วยสมบัติเงินทองที่หามาได้โดยทางชอบธรรมนะไอ้พวกหามาได้โดยการชอ่อการโกงการใช้อํานาจบาดใจ ช่อโกงเอาสมบัติของบุคคลบ้างช่อโกงเอาสมบัติของส่วนรวมบ้างมาเป็นของตนอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญอันนั้นนะจัดว่าเป็นผู้ได้สมบัติอันนั้นมาด้วยบาปอืมแล้วบาปนั้นมันก็จิตติดตามสนองไปในโลกหน้าต่อไปเมื่อตอนมีสมบัติอะไรมาก็มีคนอื่นเข้ามาหลอกลวงเอาไปมาช่อโกงเอาไป อลิบหายวายวอดลงกรรมันตามสนองเอาเป็นอย่งนั้นผู้ใดเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้อยู่ในใจเสมอเสมอแล้วไอ้ความโลภมันก็ครอบงามจิตใจไม่ได้เพราะว่ามันรู้มันรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมที่ตนทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อจุด ตนมีบุญมีวาสนาเพียงแค่นี้มันจะทะเยอทะยานดีนลนไปยังไงยังไงมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ถ้าคนเราไม่ต้องอาศัยบุญกุศลนหลังมาหนุนส่งแล้วไซมันก็ต้องร่ำรวยเหมือนกันหมดสิต่างคนก็ต่างหาอย่างนี้แหล ะ, ะ, ะพูดถึงว่าผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติ ทำในวัดวาสนาอย่างนี้บางคนก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะอย่างรวดเร็วบางคนก็นานรู้นานเข้าใจแต่ก็ปฏิบัติเหมือนกันนั่นแหละทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็มันแตกต่างในการทำความเพียรแต่ชาติผนหลังนุ่งหนูไอบ้บางคนเน่ะทำบุญกุศลทมความดี อะไรก็ค่อยทำไปอย่างนั้นแหละตามมีตามได้ฟังทำคำสอนของทวยเจ้าฟังไปแล้วก็ไม่ค่อยจดค่อยจำเอาจำเอากันนิดหน่อยหน่อยไปอย่างนี้นะอันนี้บางคนนะเมื่อตนเห็นแจ้งว่าบุคคลจะมีความสุขความเจริญได้เพราะอาศัยบุญกุศลเท่านั้นแหละ บุญกุศลจะมีได้เราจะทำบุญได้กเพราะอาศัยเรามีความรู้อืมผู้ใดคิดอย่างนั้นก็แสวงหาความรู้ซี่แค่นี้ความรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยรู้ไปอย่างอื่นนั้นมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์หรอกความรู้ในพระธรรมคำสองพระเทเจ้านี่มันนำบุคคลในพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้นะผู้นั้นคิดเห็นอย่างนั้นก็สนใจ สดับกลับฟังคําสอนของผู้เท่เจ้าในพบในชาติที่ตนเกิดนั้นจำคําสอนของผู้เท่เจ้าได้เอฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคําสอนนั้นมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยสิวะ น, นี่น ะ, ะเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้กรรมดีที่เราทํามานะั้นนั่ะคือการสนใจในการเรียนการฟัง การท่องการจำเนี่ยมันก็มาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี่เรียนทมเรียนวิเนัยอะไรก็ท่องจำเอาได้คร่องแคล่วดีได้ง่ายดีการสดรบตรับฟังคำสอนของพอระติเจ้าฟังไปก็เข้าใจไปได้ง่ายเพราะว่ามันมีนิสัยปัจจัยติดตามมาส่งเสริมอยู่แล้วเหตุนั้นมันจึงเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพอระติเจ้า ได้ง่ายได้ในลำบากในการคิดการท่องการจำนี่ก็เนื่องมาแต่นั่นแหละคนผู้เช่นนั้นฝึกตนมาแต่ก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหลายชาติเที่เวอย่างอย่างคนในปัจจุบันนี่แหละเราสังเกตดูบางคนก็สนใจในการเรียนการท่องการจำ สนใจในการฟังอย่างนี้นะแล้วสนใจในการปึกไถ่ถามข้อข้องใจจากท่านผู้รู้ต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราเราสังเกตดูในปัจจุบันนี้นะแต่บางคนไม่เลยไม่สนใจไอ้ฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยฟังพอเป็นพิธีคนบางคนวางพวกนะ ฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้สนใจว่าจะจำเอาคำสอนของพบะพุทเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นนะไปประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าไปคิดไปวินิจฉัยดูคำสอนที่เราจำมานั้นนะมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่เอาไปคิดไปตรองนี้เมื่อไม่เอาไปคิดมันก็ลืมเลือนไป มันก็ฟังก็เหมือนไม่ได้ฟังนั่นเองเนี่ยแล้วการทำความดีมันกับอยู่แค่แค่เดิมอไม่ก้าวหน้าไปได้เลยไอ้โคเงกนข้ามผู้ที่เรียนท่องจำได้หรือว่าฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจำได้เอาไปวินิจฉัย ใ, ให้รู้แนวทางปฏิบัติเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไอ้ความชั่วอันใดที่ควรละก็ละไป ที่ตนยังละมันไม่ได้ไอความดีอนใดที่ตนยังทําไม่เกิดให้มีไม่ได้ก็พยายามบําเพ็ญให้เกิดให้มีมยายามมเช่นอย่างว่าการรักษาศีลอย่างนี้เนะเมื่อตนยังรักษาศีนให้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะศีนนั้นมันเกิดจากเกตนาวิรัตละเว้นะ ถ้าบุคคลใดไม่ตั้งใจจัลละเว้นแล้วจะเป็นศีลไม่ได้เลยออัะ น, นั้นเมื่อผูดด้ใดได้สมทานนั้นได้ตั้งใจว่าเราจะสัมรวมระวังพุทธบัญญัติที่ตนสมทานมาแล้วนี้จะไม่หลงไหลไปล่วงเกินอือธิษฐานใจมั่นลงไปเนี่ยก็พยายามระมัดระวังพโมออพื้นทางกายวาจาอย่าให้มันไปล่วงพุทธบัญญัตินั่นอย่างนี้นะ นี่เรียกว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามทําศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าเมื่อผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วยอมเป็นผู้ที่ไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มินรกเป็นต้นผู้ใดภาวนาฝึกใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับแล้วอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ละบาปกรำอันชั่วออกจากจิตใจของตน ไปเรื่อยๆบาปอันใดที่ลุ่มหลงกระทามาแต่ก่อนนั่นน่ะตนภาวนาเพ่งดูละอเราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงอธิษฐานใจละต่อ น, นี่ไปเราจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเรื่อยๆไปองนั้นบาปมันก็ระ ง, งับไประ ง, งับไปมันก็ไม่ติดตามไปสนองเอาอมไม่ใช่ว่า เมื่อตอ น, สนสัมปรานศีลแล้วรักษาจิตศีลไปแล้วบาปที่ลรารุ่มหลวงทำมาต่ก่อนนั้นมันจะหมดไปเองไม่ไม่ไม่ได้หมดหรอกเราต้องพิจารณาให้เห็นบาปที่ตนทำนั่นก่อนเออเราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นจริงอย่างนี้นะอ่านนี้ต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ทำนะเราจะละเวน้นภาวนาอธิษฐานใจละเวน้นอยู่เสมอเสมอไป บาปนั้นมันก็ยอมหมดไปจากคิดใจของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริงนี่แหละการฝึกฝนอารมณ์จิตใจย่อมมีอานิสงส์ผลทำให้บาปโทษมนดินทั้งหลายหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้